เหนือวันณัอื่นทักกิไนผู้ควรแก่ทักสีนาซึ่งเดิมคําว่าทักกิไนนี้ใช้เรียกพราหมณ์ในฐานะผู้ควรรับค่าตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายันนหาดผู้สนานแล้วผู้อาบน้ำํำทำทำกรรมสะอาดสร้างความเกษมแก่สรรพสัตว์ซึ่งเดิมคําว่านหาดนี้ใช้เรียกพราหมณ์ผู้ได้ประกอบพิธีสนาน ขึ้นสู่สถานะเป็นพราหมมีระดับเวทะคูผู้ถึงเวทคือเจนจบวิชาล่วงพ้นความติดในสัพเพเวทนาซึ่งเดิมคำว่าเวทะคูนี้ใช้เรียกพราหมผู้จบไตรเพศสมณะผู้สงบผู้ระงับกิเลสซึ่งเดิมคาว่าสมณะนี้ใช้เรียกนักบวชเกวรีหรือเกพลีคนครบท้วน